แนะนำบทอันนาลีบทอันนาลีเป็นบทมักกียะมี1 2ึอีองค์การที่กล่าวถึงเรื่องหลักต่างๆเกี่ยวกับการศรัทธาเช่นเกี่ยวกับเรื่องพระผู้เป็นเจ้าการประทานองค์การการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนและความเป็นเอกะของพระองค์ในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลคือชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินท้องทะเลภูเขาห้วยเหวหุบเขา น้ำฝนที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้าพืชที่งอกเงยเรือที่แล่นในมาหาสมุทรดวงดาวต่างๆที่นักเดินทางยามค่ำคืนใช้นำทางตลอดจนทัศนียภาพต่างๆที่มนุษย์ได้มีโอกาสพบเห็นในการดำรงชีวิตของตนเป็นภาพชีวิตเที่ยวล้อทรงบรรจงสร้างจักรวาลทั้งหลายให้ได้สัสดส่วนและสวยงามบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการประธานองค์การลงมา ซึ่งเป็นปฐมเหตุแห่งการปฏิเสธแต่เยอะยันของพวกตั้งภาขีพวกเขาได้ปฏิเสธอัลกุรอานและไม่ยอมเชื่อปรากฏการของวันปรโลกโดยสิ้นเชิงและเร่งเราท่านรอซูลสอลลลอฮฺวะไลวะสัลลัมให้นำการลงโทษมาโดยเร็วซึ่งท่านรอซูลุลลอสัลลลอฮฺวะไลวะสัลลัมได้กล่าวเตือนพวกเขาอยู่เสมอและทุกครั้งที่การลงโทษได้ล่าช้าไป พวกเขาก็เรียกร้องและเยอะหยันมากยิ่งขึ้นบทนี้มีจุดมุ่งหมายถึงการกําหนดหลักการแห่งความเป็นเอกภาพของอลัลลอ์โดยให้เบนความสนใจไปสู่เดชานภาพของพระองค์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิจิตโดยสนทนากับสิ่งสัมผัสทุกส่วนในร่างกายของมนุษย์และอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของมนุษย์ให้มุ่ง ใช้สติปัญญาสู่พระเจ้าของเขาเพื่อจะได้เห็นร่องรอยในการสร้างของอัลลอฮ์ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์บทนี้ยังได้กล่าวเตือนมนุษย์ถึงผลของการเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์กับได้เตือนพวกเขาถึงบั้นปลายที่จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลแก่ทุกคนที่ดื้อดึงและฝ่าฝืนบทนี้ถูกขนานนามว่าพึ่งเพราะข้อความในบทประกอบด้วยบทเรียน ข้อเตือนสติอย่างน่าจับใจเป็นการชี้แนะเห็นถึงความประหลาดแห่งการสร้างสรรค์ของพระผู้ทรงสร้างและเป็นการบ่งถึงการเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงแน่นอนสาเหตุของการประทานบทนี้อิบนุอับบาสกล่าวว่าเมื่อเอาล้อผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงประธานองค์การที่มีความว่า ยามอวสานใกล้เข้ามาแล้วพวกปฏิเสธได้กล่าวเตือนซึ่งกันและกันว่ามุฮัมมัดอ้างว่าวันประโลกได้ใกล้เข้ามาแล้วพวกเจ้าจงยับยั้งการการะทมของพวกเจ้าลงเสียบ้างจนกว่าว่าเราเจนว่าเป็นความจริงหรือไม่เมื่อวันเวลาได้ยืดเยื้อออกไปพวกเขากล่าวว่าโอ้มุฮัมมัด เราไม่เห็นสิ่งใดเลยในสิ่งที่เจ้าขู่พวกเราอัลลอฮ์จึงได้ประทานบทนี้ลงมาสด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ أ พระบัญชาขอล้อวันประโลกได้มาแล้วดังนั้นเจ้าจะได้เร่งมันพระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์และพระองค์ทรงสูงทร ง, งเหนือกว่าที่พวกเขาตั้งภาธี โปรงทรงส่งมาลกิกะลงมาพร้อมด้วยโอกาสตามพระบัญชาของโปรงแกผู้ที่โรงทรงประสงค์จากพวงบบาวของโปรงโดยให้พวกเขาตักเตือนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใด น, นอกจากข้าดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงต่อข้าเถิด وَالْأَرْضَ พระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและพันดินจริงพระองค์ทรงสูงส่งกว่าสิ่งที่พวกเขาตั้งพาคีพระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากน้ำอสุจิ แล้วเขาก็เป็นปรปักอย่างชัดเจนต่อพระผู้ทรงสร้างและปัสุสัตว์พระองค์ทรงสร้างมันสำหรับพวกเจ้าในตัวมันมีความอบอุ่นและประโยชน์มากลาย และส่วนหนึ่งจากมันนั้นพวกเจ้าเอามาบริโภคและในตัวมันมีความสง่า ง, งามสำหรับพวกเจ้าขณะที่นำมันกลับจากทุ่งหญ้า และขณะที่นำมันออกไปเลี้ยงและมันแบกสัมภาระหนักของพวกเจ้าไปยังเมืองไกลๆโดยที่พวกเจ้าจะไปถึงมันไม่ได้เว้นแต่ด้วยความเหนื่อยยากลำบากใจแท้จริง พระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสมอวัลลวัลบิลวัลามีรลิตอบูฮาวะซีวมาลาตะลมนและมา้าและล่อและลาเพื่อพวกเจ้าจะได้ขี่มันเป็นเครื่องประดับและโปร่งทรงสร้างสิ่งอื่นที่พวกเจ้าไม่รู้อีก และเป็นหน้าที่เหนืออัลละฮ์คือการชี้นำสู่แนวทางอันเที่ยงตรงและจากทางต่างๆนั้นก็มีทางคดเคี้ยวและหากพระองค์ทรงประสงค์แน่นอนพระองค์ก็จะทรงชี้ทางนำให้แก่พวกเจ้าทั้งหมด วัลลดีอั ز ลมินสสม اء อิม اء ลละคุมมินห um ุชราบวะมินหุชจรฟีตสีมูลโรงคือผู้ทรงหลังน้ำลงมาจากฝากฟ้าสำหรับพวกเจ้าส่วนหนึ่งเป็นเครื่องดื่มและอีกส่วนหนึ่งทำให้พริกษชาติเจริญเติบโต ยตุเ ล, ลคุบิฮสระะอัลซีตุนะัลนลอัลอาเนบแะมิุกหลมราตอัฟีดัลลิคแลอัาตัลลิวอมีทักรุนด้วยน้ำนั้นพระองค์ทรงให้พืชและผลมาก่ อ, อทบลังอังุนและผ ล, ละไม้ทุกชนิด งอกงามสำหรับพวกเจ้าแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนที่ติดตรอและพระชงทรงให้กลางคืนและกลางวันและดวงอาทิตย์และดวงจัน เป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าและหมู่ดวงดาวนั้นถูกใช้ให้เป็นประโยชน์โดยพระบัญชาของพระองค์แท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณต่างๆสำหรับกลุ่มชนที่ใช้ปัญญา และสิ่งที่พระองค์ทรงให้มีมากมายสำหรับพวกเจ้าในแผ่นดินนั้นสีของมันแตกต่างกันไปแท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ใครค่ครวญ และโปรงคือผู้ทรงทำให้ทะเลเป็นประโยชน์เพื่อพวกเจ้าจะได้กินเนื้อ น, นุ่มสดๆจากมันและพวกเจ้าเอาเครื่องประดับออกจากมันสำหรับสวมใส่และเจ้าเห็นเรือเล่นฝ่าคลื่นในท้องทะเล และเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณและพระองค์ได้ทรงให้เทือกเขามั่นคงในแผ่นดินเพื่อไม่ให้มันสั่นสะเทือนแก่พวกเจ้า และให้มีลำน้ำและหนทางเพื่อพวกเจ้าจะรับทางนำที่ถูกต้องวบและเครื่องหมายต่างๆและด้วยดวงดาวนั้นพวกเขาใช้นำทางดัันั้นผู้ทรงสร้างย่อมไม่เหมือนผู้ถูกสร้างพวกเจ้าไม่ใคร่ครวกหรือ اللَّهِ, الله และหากพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานของอัลลอฮ์พวกเจ้าก็จะไม่สามารถคำนวณนับมันได้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอว يَعْلَمُ مَا ت ُ س ِ ر ّุ و ن َ وَمَا ت ُ ع ุ ل ِลُ و ن น และอัลลอ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าปิดบังและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยวันละดีและจะดลัวนั้นโดยอิสลามไม่จะุ ل ق สิ่กใดและบรรดาสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์นั้นพวกมันไม่ได้สร้างสิ่งใดเลยแต่พวกมันกลับถูกสร้างอะมัาตุนไกร์อหิอ พวกมันตายประาศ จ, จากชีวิตและพวกมันไม่รู้ด้วยว่าเมื่อใดจะถูกให้ฟื้นขึ้นมาอีกอิลลัฮุมอิลลัฮุวลลาาม واحد فاللذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مكره وهم مستكبرون พระเจ้าของพวกเจ้านั้นคือพระเจ้าองค์เดียวดังนั้นบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อวันปรโลกหัวใจของพวกเขาปฏิเสธไม่รับรู้โดยที่พวกเขายิ่งพยองโดยแน่นอน อัลลอฮนั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขาปิดบังและสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยแท้จริงพระองค์ไม่ทรงรักพวกญิงพยองมมและไม่ได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพระพวทบานของพวกเจ้าได้ประทานอะไรลงมา พวกเขากล่าวว่านิยายโบราณโบราณ عل พวกเขาจงแบกความผิดอย่างครบท้วนในวันประโลกเถอะ และจงแบกความผิดของบรรดาผู้ที่พวกเขาทำให้เขาเหล่านั้นหลงผิดโดยไม่รู้พึ่งทราบเถิดว่าสิ่งที่พวกเขาทำผิดนั้นชั่วช่ายิ่ง แน่นอนบรรดาผู้อยู่ก่อนหน้าพวกเขานั้นได้วางแผนเอาไว้ดังนั้นอลัลลอได้ทรงทำลายอาคารของพวกเขาจากรากฐานของมันฉะนั้นหลังคาที่อยู่เหนือพวกเขาได้หล่นลงมาทับพวกเขา และการลงโทษได้มาอย่างพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ทันรู้สึกตัวตุมเมื่อวันลุกยามที่ขุ้นฮิมะยะกูลไอล شرك ายะทีนะกุ่ตุมตุชากลุ่นฟิมกล่ลวทีนะอูตุลิลมเมน่อหน้าขุนยามวัะสูอัลลคาบี แล้วในวันปรโลกพระองค์จะทรงให้พวกเขาอัปย์และตรัสว่าไหนเล่าภาคีของข้าที่พวกเจ้าได้โต้เถียงในเรื่องของพวกเขาและบรรดาผู้รู้กล่าวว่าแท้จริงวันนี้ความอัปย์และความเลวร้ายจะประสบกับพวกปฏิเสธศรัทธา الذين تتوفّهم الملائكة ظالمين أنفسهم، فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء، بل إن الله ع ل ي م بما كنتم تعملون. คือมรรดาผู้ที่มาไลก้าเจ้าชีวิตของพวกเขาโดยที่พวกเขาอารทมต่อตัวเองดังนั้นพวกเขาจึงยอมจำนวนพลางกล่าวว่าเรามิได้กระทำความชั่วใดๆเปล่าเลยแท้จริงเลาเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าได้เคยกระทำไว้ ดังนั้นพวกเจ้าจงเข้าประตูนรกเพื่ออยู่ในนั้นตลอดกาลดังนั้นที่พำนักของพวกหญิงพยองมันชั่วช่ายิ่งหนัก และได้ถูกกล่าวแก่บรรดาผู้ยำเกรงว่าพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าได้ทรงประทานอะไรลงมาพวกเขากล่าวว่าความดีทั้งนั้นสำหรับบรรดาผู้ทำความดีในโลกนี้คือความดีและแน่นอนปรรโลกนั้นย่อมดีกว่า และที่อำนักของบรรดาผูย้ยำเกรงนั้นช่างดีเลยวล ah um ah สวนสวรรค์อันสถาพรที่พวกเขาเข้าไปในนั้นมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง สำหรับพวกเขาที่อยู่ในนั้นจะได้สิ่งตามที่ต้องการในธรรมนองนั้นอลัลลอจะทรงตอบแทนผู้ยำเกรงทั้งหลาย ت ت าบรรดาผู้ถิ่น มาลายกาเจ้าชีวิตของพวกเขาโดยที่พวกเขาเป็นคนดีพางกล่าวว่าสันติจงมีแด่พวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ในสิ่งที่พวกเจ้าได้เคยกระทำไว้ลลยยนรรอออิิาตมมุะบ พวกเขาไม่ได้คอยสิ่งใดนอกจากจะให้มาลายกามาหาพวกเขาหรือพระบัญชาของพระผู้อภิบาลของเจ้าจะมาในทำนองนั้นแหละบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาได้กระทำ และอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงอธรรมต่อพวกเขาแต่พวกเขาได้อธรรมต่อตัวของพวกเขาเองดังนั้นความชั่วชาทั้งหลายที่พวกเขาได้กระทำไว้ก็จะประสบแก่พวกเขาและสิ่งที่พวกเขาได้เคยเย้ยหยันไว้ ก็จะห <ت ص> ้อ <في> ม <ق> ล้อมพวกเขาเอาไว้ 50:10 وقال الذين أشركوا لولا الله ما عبَدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا ولا حربنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على القص ل إلا البلاء المبين และบรรดาผู้ตั้งพาคีกล่าวว่าหากอาลัลอทรงประสงค์พวกเราจะไม่เคารพพักดีผู้ใดอื่นนอกจากพระองค์ทั้งพวกเราและบรรพบรุษของพวกเราและพวกเราจะไม่ห้ามสิ่งใดอื่นจากพระองค์ทรงห้ามไว้ในทํานองนั้นแหละบรรดาผู้มาก่อนหน้าพวกเขาได้กระทำดังนั้นบรรด า, าศาสนาทูต ไม่ได้มีหน้าที่อื่นใดนอกจากการประกาศอันชัดเจนเท่านั้น และโดยแน่นอนเราได้ส่งศาสนทูตมาในทุกประชาชาติโดยบัญชาว่าพวกเจ้าเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์และจงออกห่างพวกจเจวิต ด, ดังนั้นในหมู่พวกเขาจึงมีผู้ที่อลัลลอฮ์ทรงให้ทางนําและในหมู่พวกเขาจึงมีผู้ที่การหลงผิดคู่ควรแก่เขาฉะนั้นพวกเจ้าจงเดินทางไปในแผ่นดินแล้วจงดูสิว่า บ้านปลายของพวกปฏิเสธนั้นเป็นเช่นใดอินตาหริซาลาหุดาฮมฮะอินัลล้าหล่ายะดีมันยุดลวมาละหุมมินนาสรีนหากก็หวงใหญต่อการชี้แนะทางนำของพวกเขาแท้จริงอัลล้อนั้นจะไม่ส่งชี้ทางนำแก่ผู้ที่พโรงทรงให้เขาหลง และสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆและพวกเขาได้สาบานต่ออัลลอฮ์ด้วยการสาบานอย่างแข็งขันว่า อัลจะไม่ส่งให้ผู้ตายฟื้นขึ้นมามิใช่เช่นนั้นสัญญานั้นย่อมเป็นจริงแก่พระองค์เสมอแต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้รเพื่อพระองค์จะส่งชี้แจงแก่พวกเขา ถึงสิ่งที่พวกเขาได้ขัดแย้งกันในเรื่องนั้นและเพื่อพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้รู้ว่าแท้จริงพวกเขานั้นเป็นผู้โกหกแท้จริงเมื่อเราปราถนาคำตรัสของเรา แกสิ่งใดแล้วเราก็จะกล่าวแก่มันว่าจงเป็นแล้วมันก็เป็นขึ้นและบรรดาผู้ที่อพยพไปในเรื่องของอัลลอฮหลังจากที่พวกเขาถูกคมเหพงแน่นอน เราใช้ที่พมนักที่ดีแก่พวกเขาในโลกนี้และแน่นอนรางวัลแห่งประโลกนั้นยิ่งใหญ่กว่าหากพวกเขารู้บัญหาผู้อดทน และพวกเขามอบหมายความไว้วังใจต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา ال และเราไม่ได้สง่งผู้ใดามาก่อนหน้าเจ้านอกจากเป็นชายที่เราได้ประธานองค์การแก่พวกเขา ดังนั้นพวกเจ้าจงถามบรรดาผูร้รู้หากพวกเจ้าไม่รู้ด้วยหลักฐานต่างๆที่ชัดเจนและคำพีต่างๆอันศักดิ์สิท์ และเราได้ประทานอัลกุรอานแก่เจ้าเพื่อเจ้าจะได้ชี้แจงแก่มนุษย์ซึ่งสิ่งที่ได้ถูกประทานแก่พวกเขาและเพื่อพวกเขาจะได้ไตรตรองบรรดาผู้วางแผนชั่วร้ายจะปลอดภัยกระนั้นหรือ จากการที่เอาล้อทรงให้ธรณีสู่พวกเขาหรือการลงโทษที่จะมาอย่างพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวอายหรือพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาขณะที่พวกเขาเดินทางดังนั้นพวกเขาจะไม่สามารถหักห้ามได้